วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18 19ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐเพราะเป็นคําสอนที่ไม่มีคําสอนอันใดในโลกนี้เปรียบเสมือนได้สามารถทําสิ่งที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถทำให้กับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้นั่นก็คือทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติพลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจจะไม่มีสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าน อ, อกจากนั้นแล้วคาสั่งคาสอนต่างๆ ที่ได้เรียนรู้กันตามสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยความความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษาจากสถาบันเหล่านี้ไม่สามารถทําให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะยังจะต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ ท, ทั้งทั้งที่เรียนจบปริญญาระดับสูงก็ตาม mm. เพราะความรู้ทางโลกทางสถาบันของทางของทางโลกนี้ไม่ได้สอนให้ดับความทุกข์ทางใจ mm. ก็เลยไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆมาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้ mm. ความรู้ทางสถาบัน ของทางโลกนี้เป็นความรู้ที่สามารถนำเอามาใช้ดับความทุกข์ทางร่างกายได้ช่วยบรรเทาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของทางร่างกายได้ก็คือเป็นความรู้ที่สามารถนำเอาไปใช้รรมหากินได้ธรรมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาปัจจัยสีหาอาหาร หาเครื่องนุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคได้ mm hmm. คนที่มีความรู้มากทางโลกก็จะสามารถหาปัจจัยสี่ได้มาก mm hmm. กว่าคนที่มีความรู้น้อย mm hmm. คนที่จบปัญญาสูงๆ mm hmm. เช่นพวกหมอ mm hmm. เป็นพวกที่มีความรู้มากทางโลกสามารถ เอาความรู้ทางโลกนี้ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอามาซื้อของต่างๆเพื่อบําบัดความต้องการความทุกข์ต่างๆของร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาความรู้มาบําบัดความทุกข์ทางใจได้มีแต่พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เท่านั้นที่จะสามารถนำเอาความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาดับความทุกข์ทางใจได้ทําให้ไม่มีความทุกข์ทางใจสําหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือความประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, า, ส, ำำ ส, จาสามารถสอนให้ ผู้ที่ตกอยู่ในกองทุกข์ต่างๆเช่นกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราจะรู้หรือไม่ก็ตามว่าพวกเหล่านี้อยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดความเป็นจริงมันก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมานับเป็นเวลาอันยาวนานร่างกายที่พวกเราได้มานี้เป็นเพียง น่างกายโชคข่าวพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจที่ตายจากชาติก่อนคือสูญเสียร่างกายอันเก่าไปเราก็เลยเป็นดวงวิญญาณรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ พอถึงคิวของเราที่จะได้รับร่างกายเราก็มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งมาเกิดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่ทุกครั้งเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายทุกร่างกายนี้มันเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บ แล้วก็มีตายไปในที่สุดไม่มีใครจะสามารถมายับยั้งเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายนี้ได้ไม่สามารถใครไม่มีใครสามารถสั่งให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความสามารถมากมายกายกอง ก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ท่านมีปัญญาความฉลาดท่านสามารถยับยั้งการไม่มาเกิดได้ท่านรู้ว่าถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องอยากกลับมาเกิดเพราะทุกครั้งที่มีการเกิด ท, mileage, ท, ทุกครั้งที่เราไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราร่างกายที่เราได้รับมาทุกครั้งทุกร GRANT, ่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดแต่ถ้าเราไม่ไป Juan, <c oughs> รับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่หลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วเราไม่ไปรับร่างกายอันใหม่เราก็จะไม่มีร่างกายอันใหม่ ที่เราจะต้องมาทุกกับมันเมืม่อไม่มีร่างกายอันใหม่ไม่มีเกิดใหม่ก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย อ, อันนี้แหละเป็นความรู้ที่ประเสริฐ ท, ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้พวกเราถ้าไม่ได้เกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันและเราก็อาจจะคิดว่า พอร่างกายตายไปแล้วเราก็จบเราตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ใจนี้ไม่เป็นสิ่งที่ตายตายไม่เป็นเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันชั่วมข่าวแล้วก็วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวออกจากกันร่นางกายเวลาที่มันตายไปมันก็จะแยกธาตุออกกันจากกันธาตุดินก็ไปทางหนึ่งธาตุน้ําก็ไปทางหนึ่ง ธาตุลมก็ไปทางหนึ่งธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งเช่นเวลาคนตายเนี่ยถ้าเราปล่อยศพวางไว้เฉยๆยถ้งแรกที่ไปจากร่างกายก็คือธาตุลมคือไม่หายใจเข้ามีแต่ลมที่อยู่ข้างในจะหายจะจะจ ะ, จะออกมาจะระเหยออกมาตามด้วยธาตุไฟคือความร้อน ร่างกายของคนตนนี้กับร่างกายของคนตายนี้จะไม่มีความร้อนเย็นเท่ากัน mm hmm. ถ้ามีโอกาสไปจับร่างกายคนตายดูจะรู้สึกว่าร่างกายคนตายนี่เย็นกว่า mm hmm. เพราะธาตุไฟออกไปแล้ว mm hmm. ตามธาตุลมไปลมไม่หายใจเข้าเ mm hmm. หลือแต่ธาตุน้ํากับธาตุดินที่ยังอยู่ที่จะค่อยๆแยกออกจากกันธ mm hmm. าตุน้ําก็จะออกมาตามทวารต่างๆ ออกมาในรูปแบบของน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือน้ำอะไรต่างๆ mm hmm. แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆข้าพักหนึ่งมันก็จะแห้งกรอบ mm hmm. หรือแต่ธาตุดินธ mm hmm. าตุดินคือส่วนที่เป็นของแห้งกรอบเ mm hmm. ช่นกระดูกเ mm hmm. ช่นหนังเหียวย่นหนังอะไรอวัยวะต่างๆมันแห้งไปหมดเพราะไม่มีธาตุน้ำ ทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะผุพังกายเป็นธาตุดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่มาครอบครองมันชั่วคราวเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งหรือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์กับคนขับนี่มาจากคนละที่กันรถยนต์ก็มาจากโรงงาน ที่เขาไปหาชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เข้ามาประกอบกันให้ขึ้นมาเป็นตัวรถยนต์ส่วนคนขับนี่ก็เป็นคนที่มาจากพ่อแม่มีร่างกายก็มารวมกันเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็คนขับก็ไปกับรถใช้รถไปเรื่อยเวลาต้องการจะใช้รถก็ขึ้นรถไป แต่ลถก็เป็นของที่เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของชั่วคราวใช้ไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มเสื่อ ม, มก็เริ่มเสีย<ม>เดี๋ยวยางแตกบ้าง<ม>เดี๋ยวแบตเตอรี่เสียบ้าง<ม>เดี๋ยวเครื่องเสียบ้างเ<ม>พราะมันเมื่อใช้ไปแล้วมันก็จะเก่าเก่าแล้วมันก็จะชำรุด<ม>ก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมไปอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไป อันใหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปแต่วันหนึ่งมันก็จะถึงเวลาที่ช่างบอกว่าซ่อมไม่ไหวแล้วซ่อมไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องโลทิ้งไปขายเป็นเศษเด็กไป <c oughs> ส่งเข้าสู่สารของรถยนต์สมัยนี้เขามีสู่สารของรถยนต์รถเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ส่งไปลงที่เขารับ แยกแยกชิ้นส่วนของรถยนต์หรือบีบอัดให้กลายเป็นแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งขึ้นมาอัน mm hmm. นี้ก็คือร่างกายกับรถยนต์ก็เป็นเหมือนใจกับขนใจกับร่างกายเราเป็นคนขับรถยนต์ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ร่างกายของเราวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไป mm hmm. ยาโยมก็นั่งไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลมีหนังคาพอที่จะป้องกันฝนได้แต่ก็อาจจะเปียกบ้างถ้าฝนตกหนักก็คิดว่าอาบน้ำกันก็แล้วกันมาอาบน้ำฝนกันมาซักผ้ากันไม่เป็นไรไม่ฝนไม่เป็นมิรเป็นภัยต่อใครทั้งนั้นแต่การที่เราไม่มีสติ ตั้งมั่นอยู่ในการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราแทนที่เราจะได้รับความรู้ได้รับความสงบได้รับความสุขจากการนั่งอยู่นิ่งๆฟังเทศฟังธรรมไปเราก็มาวิตกกังวลกับเรื่องฝนที่มันไม่เป็นเป็นอะไรมันไม่ทำให้ใจเรานี้เปียกเลยสิ่งที่เบียกก็คือร่างกาย ร่างกายมันไม่กลัวน้ำหรอกแล้วอาบน้ําให้ร่างกายทุกวัน<ม>เสื้อผ้ามันก็ไม่กลัวน้ำ<ม>เราเอาเสื้อผ้าเข้าซัก<ม>เข้าซักในเครื่องใส่น้ําเข้าไปเสื้อผ้ามันก็ดีใจจะได้ชําระสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าออกจากร่างกายดังนั้นใจก็ไม่ได้เปียกแต่อย่างใดดังั้นใจก็ต้องไม่กังวลกับมันเฉยๆ เราตอนนี้เรากำลังมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมอาศัยการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นวิธีฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็เพื่อทำใจของเราให้อยู่นิ่งไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี้มันจะทำให้ใจเราไม่ไม่มีความสุขน้ำแสบไปคิดเรื่องที่ทำให้เราทุกข์กัน เช่นตอนนี้อาจจะไปคิดถึงเรื่องฝนฟ้าพอคิดถึงมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่กับธรรมะที่เรากำลังฟังอยู่นี้ธรรมะนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจเย็นให้ใจสบายเหตอนการฟังธรรมนี้เป็นเสิ่งที่มีคุณค่ามาก เรื่องการเปียกน้าของร่างกายเรื่องของเปเียกน้ำของเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องธรรมดามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปียกเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านเราก็ต้องอาบน้ำอาบผ้ากันเสื้อผ้าที่เราใส่เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปซักกันเานมันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยที่เราจะต้องมาวิตกกังวลเพราะตอนี้เรากาลังทาสิ่งที่ มีคุณค่าต่อจิตใจสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจของเราคือมาทาใจเราให้สงบให้นิ่งเพราะว่าเวลาที่ใจสงบใจนิ่งนี้ใจจะมีความสุขแล้วตอนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีจะไปไหนกันล่ะออกจากศาลานี้ก็เลียกกันห้างนีร่มนั่งสมาธิไปนั่งฟังเทศทางธรรมไปเรื่อย จะมีความสงบไม่กลับไปวุ่นวายไปวิตกกังวลกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าหวาดกลัวอย่างไรแต่เราไม่เคยกันท่านหนงเราไม่เคยเล่นน้ำฝ น, น, นกันสมไมเด็กๆนี่อาจจะมาเคยเล่นน้ำฝนเวลาฝนตกแล้วดีใจแก้ผ้าออกไปเล่นน้ำฝนกลางกลางถนนกันนะพายาม ไม่ต้องจังหวะกับเรื่องฝนมาคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบเป็นการทดสอบจิตใจภาในตัวว่าเรามีสติมีปัญญาหรือไม่มีสติที่จะสามารถควบคุมใจไม่ให้ตื่นตนกไปกับฝนตกได้หรือไม่มีปัญญาที่จะสอนใจว่าฝนนี้ไม่มีปัญหาไม่เป็นอันทลายต่อน่างกายและจิตใจไปอย่างไร สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ใจปล่อยวางร่างกายให้เปียกฝนเปียกน้ำได้หรือไม่ในช่วงสงการเรายังเปียกกันเลยช่วงสงการนี่เราออกไปวิ่งกันกลางถน น, ข, น, นขับรถไปทั่วบ้านทั่วเมืองฉีดน้าใส่กันสาดน้ำใส่กันเรากำลังมีทางสู่กับการเปรียกด้วยนั่นฉันใดเราควรจะมีทางสู่กับการทังเทศสังธรรม ในขณะที่ฝนตกฝนตกก็ปล่อยฝนตกไปร่างกายเปียกก็ปล่อยันเปียกไปเหมือนกับเล่นสงการแต่เราไม่เล่นสงการเราฟังธรรมะกันการฟังธรรมะนี้จะทําให้เราเกิดจิตสติเกิด ส, ส, สมาธิเกิดปัญญาตามมาซ <c ười> ึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญต่อาการกําจัดความทุกขก์ต่างๆให้หมดสิ้นใจจัดใจ จิตใจเราจะหมดความทุกข์ได้เราต้องมีสติมีสติที่จะสามารถหักข้ามใจไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆได้มีปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราชอบเราหวงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อย่าง ขาวอนมีวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็จะต้องจากเราไปถ้าเราปล่อยให้เขาไปด้วยความยินดีไม่เสียดายเราก็จะไม่ทุกข์ใจกับการจากไปของสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบแต่ถ้าเราหวงเราห่วงเราไม่อยากให้เขาจากเราไป มันก็จะทำให้ใจเราทุกข์เพีงันแล้วจะอยากไม่อยากก็ต่าง ม, มันก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปนี่คือปัญญาท้องให้เห็นว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงทุกถึกงทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทองต่างๆบุคคลต่างๆ ร่างกายของเราทุกอย่างนี้เป็นของชั่วข่าววันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องสื่นเต้นหน้าหน้าหวาดกลัวแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีคงางแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรไม่ได้มาเปลีป่ยนแปลงตัวเราตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามวามจริงแล้ว การไม่มีร่างกายเนี่ยกลับจะดีกว่าการมีร่างกายที่คนตายไปแล้วนี้เขาไม่ต้องมากังวลเหมือนกับพวกเราตอนนี้พวกเรายังต้องกังวลกับเรื่องการทำมาหารกินหาปากาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามกับร่างกายของเรา แต่คนที่ตายไปแล้วคนที่ไม่มีร่างกายแล้วนี้กลับสบายจลับไม่มีภาระที่จะต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องหากินหาอยู่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรมาเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือไม่ฉะนั้นการไม่มีร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าการมีร่างกายถ้าเราสามารถทำใจปล่อยวางร่างกายได้ ถ้าเราสามารถอยู่ตามลาพังโดยไม่มีร่างกายได้เราจะสบายกว่าเยอะแต่เนื่องจากว่าใจของเรานี้มันเคยเพิ่มร่่งกายมาเป็นเวลายาวนานพอมันขาดร่างกายมันก็จะรู้สึกขาดที่พึ่งขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงเวลาไม่มีร่างกายเวลามีร่างกายก็จะสามารถใช้ร่างกาย เราไปหาความสุขต่างๆได้หาราบยศจระเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกมาให้ความสุขกับเราได้แต่พอเวลาร่างกายตายไปไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ <c oughs> เวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะเราอยู่แบบไม่มีร่างกายไม่ได้ การที่เราจะอยู่แบบไม่มีร่างกายได้เราต้องรู้จักวิธีอยู่เราจะไม่มีใครรู้วิธีอยู่แบบไม่มีร่างกายอย่างมีความสุขได้นอกจากพ่พุทธเจ้ากับพระอริยรสงสาวุกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พบกับวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายแต่กับมีความสุขมากกว่าการใช้ร่างกายหรือมีร่างกาย นั่นก็คือวิธีการมาทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบแล้วจิตใจจะมีความสุดเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่เฉยๆฟังเทศน์ฟังธรรมไปไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจนิ่งใจสงบใจสบาย อ, อยู่เฉยๆได้เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาไว้คอยคอยชย ป้อนความสุขให้กับใจอย่างความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเราเป็นอะไรไปเวลาร่างกายแก่ก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเวลาตายไปก็ดีใจเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะใจมีที่เพึ่งอันใหม่แล้ว ที่เรียกว่ามีธรรมังสัมาสังกระฉานี้มีธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาสร้างขึ้นมาในใจของเราธรรมที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งเพื่อให้ความสุขต่อเราก็คือสติสมาธิปัญญานี่เองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะทําให้ใจสงบ จะทำให้ใจสุขใจอิ่นใจพอแต่สิ่งที่ตอนนี้เรายังไม่มีกันมีก็น้อยนานๆก็มีสักครั้งหนึ่งเช่นวันนี้ญาติโยมก็ได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งเจริญสตินั่งทำสมาธินั่งเจริญปัญญาันผลที่เกิดถึงแม้จะไม่มากก็มีก็มีปรากฏขึ้นมาให้ได้สัมผัส ดูใจเรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆได้ถ้าเราไม่มีธรรมะให้ฟังไม่มีสติคอควบคุมใจให้อยู่กับการฟังธรรมใจเราจะไม่มีสมาธิจะไม่นิ่งไม่เฉยแต่ถ้าเรามีสติควบคุมใจให้อยู่กับการฟังธรรมให้มีปัญญาให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การ การทำใจให้สงบนี่พอเราทำใจให้สงบได้ใจเราก็มีความสุขได้เราก็ไม่ต้องเพ่งน่างกายที่จะใช้พาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวใจเราก็จะหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดูภาพต่างๆอยากจะฟังเสียงต่างๆ อยากจะริมลดเครื่องลืมหรือขนมของของกินต่งางๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยังมีฝังอยู่ในใจพอใจไม่ยิ่งไม่เฉยไม่มีสติคอยกำกับความอยากเหล่านี้ก็จะโผลขึ้นมาพอโผลขึ้นมาเราก็ต้องมีร่างกายนอกจากมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่จะทำให้เราสามารถไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นล้นได้ ก็คือเราก็ต้องมีเงินมีทองอยากจะดูอยากจะฟังอะไรบางทีก็ต้องใช้เงินซื้ออยากจะดูภาพยนตร์บางทีก็ต้องซื้อภาพยนตร์มาดูอยากจะฟังเพลงก็ต้องซื้อเพลงมาฟัง mm hmm. อยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินทองไว้สาหรับเป็นค่าใช้ใจ่าย mm hmm. ถ้ามีรถก็ต้องมีค่าน้ำมันลถ mm hmm. ต้องมีค่าผ่านทางต่างๆ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขได้หรือถ้ามีเงินแต่ร่างกายไม่สบายเช่นตอนนี้เป็นไข้ลุกไม่ขึ้นนอนติดอยู่กับเตียงก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขให้กับใจได้แต่ถ้าเรามาฝึกเตะมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา มาปล่อยวางปัญญาจะสอนให้เราปล่อยวางอย่าไปหาความสุขผ่านทาง่างกายให้มาหาความสุขด้วยการทำทำําใจให้นิ่งให้สงบจะให้สงบก็มีหลายวิธีการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งเวลาฟังธรรมไปแล้วใจเราก็เพลินกับการฟังธรรมก็ทําให้เราลืมถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่เราปกติจะชอบเตษกันก็เราทำให้เราสามารถนั่งอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไดอ้อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่มีฟังเทศทางธรรมเราก็ต้องใช้วิธีของสมาธิคืต้องมีอารมณ์คคอยๆกำกับใจคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึ ง, ง, ง, ง, งรเรื่องราวต่างๆการเจริญสติ นี่แหละก็คือเป็นการควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นให้เรามีคำบริกรรมอยู่ในใจพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมใจเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องของลูกเสยงกิริยต่างหา ถ้าเราเห็นว่าการใช้คําบริกรรมพุทโธมันสั้นแล้วมันทําให้เราเบื่อง่ายเราก็สามารถใช้บทสวดวนแทนก็ได้บทสวดวนมันยาวกว่าเนอาจจะสวดบทอิปปิปิโสอิปิปิโสพัาวาอรหังซัมมาหังพุทโธสวดไปเรื่อยสวดไปเอาจบรอบหนึ่งแล้วเราก็สวดอีกรอบหนึ่ง จไปสวดไปเรื่อยๆหลายหลายรอบสวดไปให้ได้ถ้าเราตาบใดถ้าเราสามารถสวดหมดอิมรุสโศได้เราก็จะนั่งเฉยๆได้แล้วใจเราก็จะเบาจะ เ, จะเย็นขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดถึงความอยากต่างๆอยากได้ลูกเสียงสิลดอยากได้อะไรมันก็จะไม่มีมันก็จะทำให้ใจเราไม่ร้อน เวลาใจเราล้อ น, นี่มันเกิดจากการการมีความอยากพออยากจะทําอะไรแล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องลุกขึ้นไปทําแต่พอเราไม่มีความอยากใจเราก็เย็นใจเราก็สบายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนั่งอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเราต้องมีอะไรให้ใจทำทั้งเทศทั้งทำไปก็ได้สวนมูลไปก็ได้ สวดมนไม่ต้องออกเสียงก็ได้สวดมนต์ภายในใจถ้จาจําหบดได้มันจะได้ไม่เหนื่อยสวดไปใน ใ, นใจมันสบายสวดวิสวบิโซปะปะ ว, วาอาลังสัมมาสัมพุทธโสดูไปการสวดก็เป็นความคิดเวลาเราคิดเราไม่ได้คิดออกเสียงใช่ไหมเวลาเราคิดด่าใครคิดว่าใครคิดตำหนิใครเราคิดในใจฉะนใ้นการสวดมนต์ก็เหมือนกัน การสวนมนตก็เป็นการใช้ความคิดอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องออกเสียงก็ได้สวดใจภายในใจถ้ายังไม่เคยสวดภายในใจตอนต้นอาจจะสวดออกเสียงเบาๆก่อนก็ได้การที่ไม่อยากให้สวดออกเสียงเขาจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นและไม่ต้องการให้เขาหนุนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ภายในใจเพราะว่าบางทีเราอยากจะสวดในขณะที่ใจเราวุ่นวายขึ้นมา ซึ่งเราอาจจะอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็ได้เราอยากจะสวดถ้าเราสวดออกเสียงเขาก็จะถามว่าสวดอะไรเป็นบ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเราสวดไปภายในใจก็จะไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังสวดอยู่เราสวดไม่ได้เพื่อไปสาปไปแช่งใครเราสวดเพื่อคอยควบคุมใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆแค่นั้นเอง พอเราสวดไปเรื่อยๆความอยากที่มันเคโผล่ขึ้นมามันก็จะลักนะครับหายไปแล้วใจเราก็จะเย็นใจจะสบายขึ้นมาดงนั้นการสวดละการสวดการสว ด, ดมนต์ก็ดีการสวดทำบริกรรมพุโทโธก็ดีด้วยการฟังเทศฟังธรรมกรณีนี้เป็นอุบายของการเจริญสติสติก็คือทำที่จะคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิด ไม่ให้อยากถ้าเรามีสติกําลังสูงกําลังมากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราสามารถสั่งให้มันหยุดได้เลยแทนที่จะต้องไปทําตามความอยากให้เหนื่อยไปเปล่าเราเพียงแต่ว่าไม่เอาหยุดเสียไม่อยากไปคิดถึงความอยากเพราะการที่เราอยากแลมันจะทําให้ใจเราร้อนพอเราหยุดความอยากได้เราจะทําให้ใจเราเย็นยิ่งถ้าเรามีปัญญามามาประกอบด้วย มีสติแล้วก็มีปัญญาใช้สติอยู่ความอยากไว้ชั่วคราวแล้วก็สอนใจว่าการทํตาตามความอยากนี้จะทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ใจร้อนใจทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาเวลาได้อะไรมาแล้วก็ก็จะทุกข์ใจเพราะว่ามันไม่อิ่มไม่พอ มันจะมีความอยากใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆน้การทาตามความอยากนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจทั้งในขณะที่กำลังอยากและหลังจากที่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วพอได้อยากสิ่งที่อยากได้ความอยากมันก็สงบระงับไปชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราสามารถสอนใจให้เลอกความอยากได้ ไม่ให้ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผลกับคืนมาอีกหรือถ้าทุกครั้งที่มันโผลเราก็ไม่ทำตามความอยากอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไม่ไปดูไปฟังอยากจะไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ทำพอเราไม่ทำตามความอยากความอยากที่เคยมาชวนเรามันก็มันก็ไม่มาเหมือนกับเวลาที่มีเพื่อนมาชวนเราไปไปทานู่นทานี่ ถ้าเราปฏิเสธเขาไปเราไม่ไปกับเขาครั้งต่อไปเขาก็ไม่อยากจะมาชวนเราแล้วนะพอไม่รู้ว่าชวนเราแล้วเราเร า, เราจะไปหรือเปล่าแต่ถ้าเขาชวนเราแล้วเราไปครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะมาชวนเราอีกความอยากมันเป็นแบบนี้ความอยากนี้มันจะนทำให้ตัวเราต้องไปวุ่นวายในทุกกับการแสวงหาเพราะอยากจะได้อะไรมันไม่ใช่จิเหมือของที่สั่งได้ สั่งปุ๊บแล้วมาปั๊บสั่งพบแต่ถ้าไม่มีไม่มีเงินจ่ายมันก็ไม่มาสั่งได้แต่จะอาจจะไม่ได้ของถ้าไม่มีเงินจ่ายของเขาแต่ถ้ามีเงินจ่ายก็ถึงจะได้ถ้าไม่มีเงินแล้วเกิดความอยากขึ้นมานี้มันก็จะทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจเศร้าทําให้ใจเสียใจเพราะว่าไม่สามารถหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาอ งานนี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาทํากันคือมาทําลายความอยากมาหยุดความอยากกันเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็จะมีความสุขได้ไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็จะมีความสุขได้อยู่เพราะพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกรนงท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนพวกเราแต่ก่อนที่ท่านมีเ ย, ยอะแยะกับพวกเราอีกพระพุทธเจ้า เป็นพระเจ้าลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ท่านกลับเห็นว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถทำให้ใจท่านอิ่มทำให้ใจท่านพอได้ไม่สามารถทำให้ใจของท่านอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองได้แต่พอท่านมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา ใจของท่านก็อิ่มตัวทันทีสงบทันทีสบายทันทีไม่หิวไม่อยากกับอะไรต่อไปทรัพย์สมบัติที่ท่านมีนี่ก็มีเพียงทรัพย์สมบัติที่จาเป็นต่อการของชีพของพระท่านันเองทรัพย์สมบัติของพระมีกี่ชิ้นพระเจ้ามอบให้แดชิ้นด้วยกันคือให้มีผ้าสามผืนผ้าไว้สำหรับนุ่งห่มต้องมีหนึ่งสำหรับ มีผ้านุ่งมีผ้าหม่มแล้วก็มีผ้ากันหนาวอีกชั้นอีกอีกผืนหนึ่งเวลาที่เกิดอากาศหนาวหรือใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาเอาเอ า, เอาผืในใดผืนหนึ่งไปซักก็ยังมีอีกผืนหนึ่งไม่สวมใส่ได้มีสามผืนก็พออัฐบบริการมีอยู่แปดชิ้นมีผ้าอยู่สามชิ้นมีบาตอยู่อย่างหนึ่งใบบาตนี้ก็จําเป็นบาตนี้เป็นการการหาอาหารให้กับ ร่างกายของพระพระร่างกายของพระกับร่างกายของโยมก็เป็นร่างกายแบบเดียวกันต้องการอาหารเช่นเดียวกันต้องการปัจจัยสี่เช่นเดียวกันแต่การหาหารของพระนี้เป็นการอาหารที่ง่ายที่สุดที่ไม่ยุ่งยากก็คือหาแบบขอทานแต่ไม่ได้ขอท่านนั้นเองต่างตรงที่ต่างจากขอทานตรงนี้พระไม่ได้ขอเวลาไปบิณฑบาตนี้ไม่ได้ไปเรียกร้องคนนั own, ้นคนนี้ ไปขอคนนั้นคนนี้ว่าขอข้าวหน่อยขอกลับหน่อยขออะไรหน่อยการบิณฑบาตนี้เป็นการไปแสดงตัวว่ า, อาตอนนี้ถ้าใครอยากจะทำบุญใครอยากจะสงเคราะห์ก็สามารถที่จะทำบุญได้สงเคราะห์ได้แต่ถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่สะดวกไม่มีอะไรที่จะทำบุญไม่มีอะไรจะให้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้ไปขอ แต่ถ้าเราไปขอแล้วเขาไม่มีอะไรจะให้นี้จะทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเัการบิณฑบาตของพระนี้ไม่เหมือนกับการขอทานเป็นการไปโปรดสัตว์ก็ได้เป็นการไปโป ร, รดเปิด โ, โ, โอกาสให้ผู้ที่อยากจะทําบุญแต่ไม่รู้จะไปทําที่ไหนขอเห็นพระมาก็ทํากับพระนี่ดีที่สุดเพราะพระมีศีลมีธรรมพระไม่ไปทําร้ายใคร เลี้ยงพระแล้วไม่ได้ไปเลี้ยงไม่เหมือนกับไปเลี้ยงโจรเลี้ยงโจร้วดีไม่ดีโจรมันหนักจะกลับมาพ้นเราก็ได้มาฆ่าเราก็ได้แต่เลี้ยงพระนี้ท่านไม่มาทำร้ายใครนอกจากไม่ทำร้ายใครแล้วท่านยังสามารถมาสั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราได้ด้วยด้วยนี่คือการเลี้ยงชีพของพระคือการบินทบายก็ต้องมีบาทเป็นทรัพย์สมบัติหนึ่งใบ เป็นสมบัติชิ้นที่สี่มีผ้าสามผืนผ้านี้ก็เป็นเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นต่อร่างกายน่างกายถ้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็จะร้อนจันจะไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครเขายินดีต้านรับต้องมีมีเครื่องนุ่งหมมสมส่มไห้สวมใส่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเหมือนคนทั่วไปก็เลยจาเป็นจะต้องมีผ้าสามผืนแล้วก็มีบาทหนึ่งใบ น อ, นอกจากผ้าสามผืนแล้วก็ต้องมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นด้วยเพราะผ้าของผ้านี้ไม่มีกระดมุมไม่มีซิปไม่มีอะไรเวลานุ่งผ้าสบงนี้ต้องมีมีเข็มขัดรัดเอวเราเรียกว่าประกดเอวหนึ่งเส้นไว้สำหรับผูกมัดไม่ให้สบงที่ที่นุ่งนี้มันหลุดออกมานั่นเองก็ต้องมีอีกชิ้นหนึ่งมีผ้าสามผืนแล้วแล้วก็มี มีเข็มขัดรัดเองเองหนึ่งชิ้นจนสี่ชิ้นมีบาดหนึ่งใบก็เป็นห้าชิ้นแล้วก็เวลาผมยาวหนวดยาวก็ต้องมีที่กันที่โกนหนวดใบนี้โกนไว้สำหรับโกนผมโกนหนวด เ, เวลาโกนผมโกนหนวดก็ไม่ต้องไปร้านตัดผมไม่ต้องเสียสตังให้หัดทํากันเองถ้าเรานี่จะเป็นช่างโกนผมกันหัดกันโกน องนี้โกนให้องค์นั้นองนั้นโกนให้องนี้หรือบางองค์ก็บางทีก็หัดโกนเองก็มีเพราะเวลาบางทีไปอยู่ทุ่งดงในป่าคนเดียวไม่มีใครโกนผมให้ก็เลยต้องหัดโกนเองเหมือนกับโกนหนวดก็สามารถหัดโกนได้คนไม่ต้อพระก็จะชานาญไม่ต้องอาศัยคนอื่นได้ก็ต้องมีใบมีดโกนไว้โกนหนวดโกนผมอันนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นที่หกของพระ สมบัตชิ้นที่เจก็คือต้องมีเข็มกับได้เพราะจีวรที่ใส่ไปนี้บางทีเดี๋ยวมันก็ฉีกขาดได้บางทีเดินไปไปเกี่ยวเก่งไม้หรือไปโดนไปทําอะไรเข้าแล้วมันก็อาจจะขาดหรือเวลามันเก่าขึ้นมามันเปลื่อนมันก็จะขาดง่ายถ้ายังใช้ได้อยู่ยังปะได้อยู่ก็ใช้เข็มกับได้นี้มามาเย็บมาป ะ, ะจีวรที่มันยังที่มันขาดแต่ยังพอใช้ได้อยู่ อันนี้ก็สมบัติชิ้นที่เจ็ดของพระสมบัติชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ําสมัยก่อนนี้พระท่านอยู่ในป่ากันเวลาท่านจะใช้น้ำท่านจะไปตักน้ําตา ม, ตามลำห้วยลำทางหรือตามบ่มบอซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์เช่นตัวลูกน้ำอยู่ในน้าต้องมีที่กรองน้ํามาตักคือเป็นที่กรองที่ตัก ตากเอาแต่น้าขึ้นมาโดยที่ไม่เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยเราเรียกว่าที่กองน้ำ<ม>อันนี้ก็คือสมบัติแปดชิ้นของพระไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะมาบวชเป็นพระนี่จะต้องมีบริขารทั้งแนี้ถึงจะบวชได้<ม>แต่ไม่ให้ไม่เอาสมบัติอย่างอื่นมาติดตัวมาไม่ให้เอาบ้านมาไม่ให้เอาคนรับใช้มาไม่ให้เอารถยนต์มาม ไม่ให้เอาอะไรต่างๆมาอันนี้ไม่ใช่สมบัติของพระเพราะว่าสมบัติของโยมนี่มันเป็นสมบัติที่จะก่อทุกข์ให้กับใจไม่ใช่มาดับความทุกข์ให้กับใจการมาบวชเป็นพระนี่เพื่อมาดับความทุกข์ของใจ <S S S S S <c oughs> ก็ต้องไม่เอาสิ่งที่มาก่อความทุกข์ให้กับใจติดตัวมาด้วย <c oughs> สิ่งต่างๆที่ญาติโยมมีอยู่นี้มันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเลยที่ญาติโยมไม่รู้สึกตัว เวลาญาโยมมีอะไรเนี่ยญาตโยมจะต้องทุกกับสิ่งที่มีเชื่อไหมเวลามีก็รักก็หวงมันก็หวงมันเวลาหวงก็ทุกข์เวลาใครมาแตะแฟนเราหน่อยนี่เราก็ทุกข์ใจละเวลาใครมายืมเลื้อขโมยของเราไปนี่เราก็เสียใจละดนั้นสิ่งต่างๆที่ญาติโยมมีอยู่เนี่ยมันเป็นของที่จะทําให้มีความทุกข์ใจเวลามาบวชนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เอาสมบัติอะไรติดตัวมาเลย ให้เอามาแต่แค่บริขารแปดชิ้นนี้อัฐบริขารเท่านั้นเองถ้าไม่มีถ้าไม่มีสตังจัดหามาก็เป็นหน้าที่ของพระอุปชาที่จะที่จะจัดหาอัตฐบริขารให้แต่ถ้าจะให้อุอปชาจัดหาอัฐบริขารให้ก็ต้องรอให้อุปชาตรวจสอบดูคุณสมบัติตัวเราก่อนว่าพร้อมที่จะบวชหรือไม่ ท่านจะไม่บวชให้เราทันทีถ้าอยากจะบวชอาจจะต้องมาอยู่บาตรเป็นผ้าขาวก่อนมาถือศีลแปดก่อนแล้วก็มาอยู่หัดอยู่แบบอยู่แบบผ้า ท, ทุกอย่างอย่างที่วัดนี้ก็ใครจะมาบวชนี้ก็ต้องมาอยู่เป็นถือผ้าขาวก่อนมากินข้าวมื้อเดียวกินในบาทเอาเอาชามกะละมังมาทำแทนบาทแล้วก็อาหารมาใส่ไปในบา เราก็ต้องตื่นตีสี่ลงไหวลงโบสถ์ไหวพระสวนนุนทำวัดเช้าทำวัดเย็นต้องฝึก ด, ดูนิสัยว่าสามารถที่จะอยู่แบบพระได้หรือเปล่าถ้าสามารถอยู่ได้แล้วถ้าไม่มีความสามารถที่จะไปหาเครื่องบวชมาได้อุปชาก็จะจัดให้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปชาถ้าอุปชาก็คือผู้ที่ทำพิธี บวชพระให้นั่นเองพระอุปชานี้จะเป็นเหมือนพ่อแม่ของพระที่มาบวชทันเป็นเหมือนพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูพระที่มาบวชเป็นเหมือนลูกาพระอุปชามีหน้าที่บวชเรียนสั่งสอนให้กับสัตวที่วิหารผู้ที่มาบวชนี้เราเรียกว่าสัตว์ที่วิหารมาบวชแล้วก็จะต้องมาอยู่ภายใต้การสั่งการสอนของพระอุปชาพระอุปชาสั่งให้ทาอะไรก็ต้องทา เอาประชาชนไม่ให้ทำอะไรก็ต้องทำตามไม่ขัดขืนไม่ฝ่าฝืนถ้าขัดขืนฝ่าฝืนก็อาจจะถูกจับสึกได้<ม>เพราะว่าไม่ได้มาทำหน้าที่ของการเป็นพระอย่างแท้จริงอาจจะอาศัยผ้าเหลืองมาเป็นวิธีหากินหาอยู่ ก, ก็ได้บางคนตกงานหางานทำไม่ได้คน<ม> อ, อยากขาดแคลนก็มาเป็นพระดีกว่า เป็นพระนี่ไปบินบาตรนี้คนแย่งกันใส่บาตรเต็มไลยหมดถ้าเป็นขอทานเดินไปขอคนถ้าเป็นแทบตาไม่มีใครก็ให้<ม>ในต่างกันตรงเนี้คนบางคนก็เลยอาศัยช่องว่างของศาสนาตัวเองนี้ไม่สามารถที่จะทํามาหากินได้<ม>แต่ถ้าไปบวชกับวัดที่มีความเคร่งคัดเขาก็ไม่ให้บวชทันทีเขาก็ให้อยู่เป็นแบบเป็น เป็นเด็กรับใช้วัดไปก่อนเป็นเด็กวัดไปก่อนทดสอบดูว่าใจจริงนี้มีความมั่นใจมั่นคงต่อการมาบวชหรือไม่เพราะถ้าเป็นพระจริงๆแล้วจะต้องไม่ถือตัวจะต้องทําตัวให้เป็นเหมือนพระคีรีวิชัยจะสั่งใครจะใช้ใครจะให้ว่าให้ทําอะไรให้ว่าอะไรก็น้อมรับอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวสาทุอย่างเดียวไม่ถือเนื้อถือตัว อันนี้เป็นการทดสอบวัดที่เป็นวัดเค้งๆถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติไปอยู่ด้วยนี่ท่านจะไม่ให้บวชให้ทันที mm hmm. ไม่เหมือนกับวัดในเมืองนี่เขาเรียกว่าบวชชั่วคราวบางทีก็บวชหน้าไฟบวชเช้าศึกเย็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาม า, มาฝึกเป็น mm hmm. พระเพราะมันยังไม่ทันเป็นพระก็ศึกแล้วบวชเป็นพระได้เมื่กี้เช้วโมองก็ศึกไปแล้ว mm hmm. หรือบางคนก็บวชแก้บนบ้างบวชเจ็ดวันบ้างบวชสามวันบ้างหรือบวชเดืินหนึ่งบ้างแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนบวชแบบนี้เขาก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบวชจริงก็เลยเขาก็เลยไม่ได้บังคับให้มาเป็นพราขาวเป็นลูกศิษย์วัดก่อนอถึงเวลาบวชก็บวชให้เลยเพียงแต่อาจจะต้องไปท่องบทสวดให้ได้ก่อนเองไว้ก็เมตตา ให้อ่านเอาเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปท่องก็ได้กดหนังสือสวดอ่านไปก็ได้แล้วแต่แต่บวชแบบนี้เราไม่ถือว่าเป็นการบวชจริงของพระพุทธศาสนาไม่ได้บวชมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมไม่ได้มา ป, ป, ป, ป, ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหน้าที่ของพระการบวชนี้การหน้าที่ของพระนี้มาบวชเพื่อมาดับความทุกข์และการจะดับความทุกข์ได้นี่จะต้องมีเครื่องมือ เคงมือที่จะใช้ดับความทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเปรเียบความทุกข์ว่าเหมือนกับไฟเวลาที่เราจะดับไฟเราก็ต้องมีเครื่องดับไฟหรือ ม, ม, มีน้ำดับไฟน้ำดับไฟถ้าไม่มีน้ำเรายืนเฉยๆดูไฟแล้วบอกให้ดับขอให้มันดับนี่ข อ, อย่างไรจนตายไฟมันก็ไม่ดับมันจะดับก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรให้มันไหม้แล้วฉันใดความทุกข์ใจก็เหมือนกัน ความทุกข์ใจนี้มันอยู่เฉยๆมันยังไม่ดับไปด้วยด้วยความอยากของเราด้วยความสั่งของเราอยากให้ความทุกข์หายไปหมดไปจากใจเดี๋ยวนี้เลยเถิด อ, อธิษฐานกราบไหว้พระขอขออย่างขออย่างไรก็ไม่มีวันที่จะทำให้ความทุกข์ดับได้ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับได้นี้ต้องมีเครื่องมือต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาการหน้าที่ของนักบวชก็คือมา มาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญานั่นเองเพราะว่าถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถนำศีลสมาธิปัญญานี้มาดับความทุกข์ทางใจได้มาลักเหตุที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็คือความอยากต่างๆนั่นเองแต่พอเรามีศีลแล้วนี่เราก็จะสามารถปรามความอยากต่างๆได้ศีลก็จะปรามเรื่อง ข, exactly ของก <frig> ารทาบาป พออยากจะไปลักทรัพย์ของคนอื่นก็ทำไม่ได้อยากจะพูดปลดก็พูดไม่ได้อยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้เพราะต้องถือศีลอันนี้ก็ช่วยกำจัดความอยากไปเป็นขั้นๆสมาธิก็จะทำให้ใจนิ่งนั่งสมาธิแล้วใจก็นิ่งความอยากจะไปนู่นมานี่อยากจะไปฟังนูน่นฟังนี่กินนูน่นกินนี่เดืมนั่นดื่มนี่ก็ถูกระงับไปด้วยกาลังของสมาธิ มันจะระ ง, งับช่วงขณะที่เราอยู่ในสมาธิหรือในขณะที่เรากำลังจเจริญสติอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้เราใช้การฟังธรรมเป็นการจเจริญสติตอนนี้เราก็เลยไม่ค่อยคิดถึงเรื่องความอยากต่างๆไม่ได้อยากจะไปนู่นมานี่ไม่อยากจะไปดูไปฟังอะไรไม่อยากจะไปลิ้มรสอะไรเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีโอกาสที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นเอง พะเรามัวอยู่แต่ฟังธรรมใจเราก็เลยนิ่งใจเราก็เลยสงบอันนี้เรียกว่าการใช้สติใช้สมาธิใช้การฟังธรรมมาระงับความอยากชั่วค่าวแต่พอเราเลิกฟังธรรมปับ๊บนี่เดี๋ยวเราเลิกคิดแล้วโอ้ยหิวแล้วหิวน้ำแล้วอยากจะไปดื่มน้ำชากาแฟขึ้นมาแล้วอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดเช่นนั้นนีอยากจะดูเปิดมือถือดูแล้วมีใครส่งข้อคางเข้ า, ข า, ขามาหรือเปล่า ความอยากมันจะพุ่ออกมาทันทีพอเวลาที่เราไม่ควบคุมใจเราถ้าเราอยากจะให้ใจเรานิ่งเหมือนตอนที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องควบคุมใจต่อไปพอหลังจากที่เลิกฟังธรรมแล้วเราก็ต้องใช้สติต่อใช้พุโทโธต่อใช้พุโทโธก็ได้พอเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงอะไรถ้าเรามีพุโทโธอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงอะไรไม่สามารถไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ใจก็ยังจะนิ่งยังสงบอยู่ได้นี่คือวิธีรักษาใจด้วยสมาธิก่อนด้วยสติก่อนฝึกสติเพื่อรังับความคิดปุงแต่งรังับความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะรังับความอยากได้อย่างถาวรการที่จะระงับความอยากได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญา มาสอนมาบอกเราว่าความอยากนี้มันเป็นเหมือนยาพิษอย่าไปแตะมันอย่าไปต้องมันอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าไปทำตามความอยากแล้วมันไม่อิ่มไม่พอได้ครึก็อยากจะได้สองได้ทำวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะทำอีกทำพรุ่งนี้แล้วมันก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยๆความอยากไม่มีวันหมดจากการทำตามความอยาก ถ้าอยากจะให้ความอยากมันหมดไม่มาลบกวนใจไม่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากกลับมาทำสมาธิแทนทำพุโทโธพุโทโธแทนทำใจให้เฉยเฉยแทนเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรปัญหาของเราทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคือความอยากต่างๆตัวอยากนี่แหละมันพาให้เรามาเกิดกันม า, ามาเกิดแล้วมันก็อยากให้ มันก็พาให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรดหาราบยศสรรเสริญเงินพอได้ร่างกายแล้วสิ่งที่เราอยากได้ต่อไปก็คือได้ข้าวของเงินทองได้ราบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นลดมาเสกกันแต่ได้สิ่งเหล่านี้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอดูมาหาเศรษฐีของโลกเลยมีกี่แสนล้านนะยังไม่พอเลยถามเองไม่ถามว่าพอไหม ไม่พอหรอกถ้าพอก็ต้องหยุดทํานะอยู่อยู่เฉยๆใช้เงินแสนล้านนี่ไปอีกสิบชาติก็ไม่หมดแต่มันก็ไม่พอเพราะความอยากนี่มันคอยมาเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเหมือนกับของแหลมคมคอยคอ ย, คอยทิ่มแทงจิตใจคอยกระตุ้นจิตใจให้ต้องออกไปหาหนู่นหานี่มาอยู่เรื่อยๆพอเวลามีความอยากแล้วไม่ได้ทําอะไรตามความอยากนี่มันจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจมันจ ะ, จะรู้สึกไม่สบายใจ มันต้องไปทำแต่ให้มีมากน้อยเพียงไรก็ต้องทําอยู่ไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่มีนี้มันไม่ได้ไ ม, ไม่ได้มามนับความอยากได้แล้วมันนับช่วงช่วงครั้งแรกๆท่านหนึ่งพอเราอยากได้สิ่งนี้พอเราได้มาปั๊บความอยากได้สิ่งนี้มันก็หายไปเราก็ดีใจมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความอยากขึ้นมาใหม่ละเพราะของที่เราได้มามั น, มนชินชาละ เราจำเจแล้วเราเริ่มเบื่อมันนะอยากจะได้ของแปลกใหม่กว่านี้ต่อให้มันเป็นของดีวิเศษขนาดไหนก็ตามตเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจพอใจแต่พออยู่กับมันไปสักพักหนึ่งมันเริ่มชินกับมันนะ้เริ่มจําเจกับมันแนะทีนี้มันเริ่มเบื่อขึ้นมาแนละ้วพอมันเบื่อมันก็ต้องหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆพอเราจึงต้องคอยเปลี่ยนของอยู่เรื่อยๆ มีรถคันนี้แล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีเงินซื้อรถคันใหม่เดี๋ยวก็ซื้ออีกคันหนึ่งพอซื้ออีกคันแล้ยังมีเงินอีกก็ซื้ออีกคันหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีเงินซื้อหลังใหม่ก็จะซื้ออีกมันจะซื้อไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันดิ้นมันทําให้ใจดิ้นทําให้ใจอยู่ไม่สุขแล้วการไปซื้อของมันก็ต้องไปหาเงินไปหาเงินบางทีถ้าหาแบบไม่ถูกวิธีหาแบบผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ถูกจับติดคุกติดตารางกันอ เนี่ยมันความอยากมันจะนําไปไปสู่ปัญหาต่างๆนําพาไปสู่ความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราอยู่เฉยๆได้สบายไม่มีปัญหาอะไรกับใครไม่ต้องไปมีอะไรมันจะไม่ต้องมีไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเนี่ยพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตัดทะลุแล้วตั้งแต่ท่านบวชแล้วนี่ท่านไม่ไปหาเงินหาทองเลยท่านหาสติแทนที่จะหาสตังค์เพราะสตินี้จะทําให้ใจสงบทําให้ใจอิ่ม ท้าไม่ใจพอพอมีสติแล้วใจจะอิ่มใจจะพอพอมีปัญญาสอนใจว่าถ้าอยากจะให้ความอิ่มนี้เป็นความอิ่มที่ถาวรก็ต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่มีความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากฝืนความอยากไปเรื่อยๆแล้วความอยากที่มันเคยมามาชวนเราให้ไปทํานู่นทํานี่มันจะหายไปเช่นคนอยากสูบบุหรี่ทุกครั้งถ้ามันมาชวนเราให้สูบบุหรี่ ถ้าเราฝืนมันไม่สูบเราอยู่เฉยๆได้เพราะเรามีสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเรามีความสุขมีความอิ่มไม่จําเป็นจะต้องเสพอะไรไม่ต้องเสพ บ, บุหรี่ไม่ต้องเสพกาแฟไม่ต้องเสพสุรายามลไม่ต้องไปเที่ยวพอความอยากมาชวนเราไปเที่ยวไปเสพอะไรต่างๆแล้วก็ขอบใจแต่เราไม่ต้องไปเรามีความสุขในตัวของเราจากการทำใจให้สงบจากการมีสมาธิ เราต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเราจึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้คือด้วยการฝืนความอยากเท่านั้นเองถ้าเราฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากครั้งนี้แล้วครั้งที่สองมันจะมาถ้ามันมามันก็จะเบาวกว่าครั้งแรกกำลังมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆพอสักครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามันไม่มาแล้วไม่เชื่อลองดูเดถ้า เราชอบบมันมีคนมาชวนมีใจมันชวนให้เร า, าความอยากชวนให้เราไปสู่บุรีเราไม่สู่เราเราไปนั่งสมาธิแทนพอเรานั่งสมาธิแทนความอยากนั้นเราก็ไม่ทําตามพอครั้งที่สองความอยากมาใหม่ทีนี้มันจะไม่แรงเหมือนครั้งแรกมันจะเบาลงนะแล้วครั้งที่สามันก็ยิ่งจะเบาลงไปเรื่อยถ้าเราไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวมันก็หายไปต่อไปเราเห็นบุรีเราก็จะรู้สึกเฉย ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกว่าจะต้องสูบหรือถ้ า, าถ้ามันชวนให้เราดื่มสุราเราไม่ดื่มต่อ<ม>ไปสุราเราเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยเฉย ม, มันเหมือนกับว่าไม่มีความสำคัญกับใจเราอีกต่อไปการที่เราจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ต้องมีสติคือสมาธิมีสติทำใจให้นิง่งให้มีความสุขจากความสงบพะเมื่อเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการดื่มสุรา ไม่ต้องไปหาความสุขจากการสูดบุหรี่เราก็จะอยู่เฉยๆได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วปัญญาบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากมันทำตามแล้วมันไม่จบมันจะตามมา ม, มันจะโผล่มาเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ความอยากจบไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปก็อย่าไปทำตามเท<ม>่านั้นแหละเพียงไม่กี่ครั้งสี่ห้าครั้งมันจะหายไปแล้มันจะเลิก ต่อไปมันจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นเห็นอะไรก็ไม่มีความอยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นอะไรแม้แต่ร่างกายก็ปล่อยวางได้ไม่อยากให้มันแก่ก็หยุดได้ไม่อยากให้มันเจ็บก็หยุดได้ไม่อยากให้มันตายก็หยุดได้พอหยุดได้แล้วเวลาแก่ก็รู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนตดยที่ทําให้ใจเราเดือดร้อนก็ ค, คือความอยากเท่านั้นเองเมื่อเราใช้สติใช้ปัญญามาสะ พลังงับความอยากเหล่านี้ได้หมดสิ้นไปแล้วใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวนใจ <lång> ก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไป <rum> ความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือแทนเราใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจเ <g mail> มื่อ <m unch> เรามีความสุขในใจด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย <g mail> เมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระหลานตัสาวกทุกๆพระองค์ท่านทําแบบนี้ทั้งนั้นท่านทําให้ใจของท่านนี้หายยากพอท่านหมดยากด้วยกำลังด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจ ข, ของปัญญาแล้วท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปร่างกายของท่านก็จะเป็น เป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระมากกว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์มีร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูมันไปต้องแบกมันต้องหามมันพอไม่มีร่างกายแล้วก็สบาย <Yeah. S 1> นี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราได้กำจัดหรือทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปด้วยการสอนเราให้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก ในการที่เราจะดับความอยากหยุดความอยากได้เราก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาใช้ศีลระงับความอยากระดับศีลใช้สมาธิระงับความอยากในระดับของสมาธิแล้วใช้ปัญญากำจัดความอยากในระดับของปัญญา <S S S พอเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วความอยากต่างๆ<ม>ก็จะหมดสิ้นไปจากใจ<ม><ม>นี่ก็คือเรื่องของธรรมประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่นามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวหาบุราปาริปุเรนติสัขลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปะ จันโทกันนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนัสสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโน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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมนากุศจากทาง f a c e b o o สองรอยเจ็ดสิบท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสสามรอยี่สิบห้า YouTube ดร v ี9สิบเก้าวิทยุออนไลน์สิบห้าคลับเฮาสห้านุหนึ่งร้ยห้าสิบเจ็ดรวมทั้งหมดแปดร้อยี่สิบหนึ่งท่านค่ะโอเค we got question Please use the microphone. Speak close to the microphone. The the, the back, the e round thing. Yeah. Uh, venerable Luang p o I am on a short visit to Thailand. I am from Sri Lanka. Uh, just to clarify one point that uh, in Sri Lanka, uh, being a Buddhist country, you know, they use uh, the Tripitaka. For um, their teachings, and uh, when I came to Thailand, and when I have, when I listened to uh, the masters of the Thai forest tradition, mm. uh, there they use the uh, term pure mind in most of their dhamma talks, mm. which is not uh, known very much in Sri Lanka. And uh, because when we go to discuss this uh, in Sri Lanka, you know it's. Uh, I just want to know how we can relate this word to t r i p i t a k a r s o that we can move on with the dhamma discussion and to understand it better. Uh, can you, if you can, explain? Uh, well, pure mind means the mind that is w e l l defilement, without greed, hate, and delusion, through the process of practice o you know, the noble eightfold path. That will lead you to the pure mind. That's it. The mind is like your clothes. When you wear your clothes, t get dirty, so you have to wash it. The same way with our mind. Our mind is dirty with the defilement of greed, hate, and delusion. So we have to wash it with the noble eightfold path. Once we have fully practiced the noble eightfold path, then we can purify the mind. That's all. See, so the, the so it, it means the attainment on the four level of enlightenment. Sotapanna, Sakida g a m i Anakami, and Arahant. When you first reach the first stage, you only purify one fourth of the mind. Right. So you go to the second stage and you purify half. You go to go to the third stage you purify three quarters. Right. And when you go to the Arahant stage, you purify completely, fully. Right. So is is uh, that means uh, uh, does it mean that the pure mind is always with everybody, every one of us? But because of defilements, we cannot reach it. I mean, is is it something like that? Or? Our defilement causes us to be attached to things and people. But as soon as we practice and get rid of the defilements, then we will have no no attachment to anything or anybody. So we will not return. We will have no rebirth. A pure mind doesn't have rebirth. A pure mind is nibbana. Right. So that means uh, after passing away of an arahat, the pure mind just. Uh, no, the pure mind still exists. It just doesn't take birth. That's all. Right. It doesn't take it's any rebirth. That's the difference. It still exists just like before when it's not pure. Right. When it's not pure, it's, it it takes birth, takes rebirth. When it's Pill, then it doesn't take rebirth, but it still remains the same at the same at the same place. Right, right. I think that makes it clear. Yeah. people might people didn't understand. They think that once you have purified your mind or reached nibbana, then your mind disappear from existence. It, that's that's the understanding we have no, there. No, that's, no <laughs> that's not the case. The case is you will you will like your clothes when you wash it. <laughs> Do you lose your clothes after you wash? <laughs> yeah, that's okay. very clear. Very clear. See the problem with people who study only the, the scripture without practicing. Yes. They cannot understand the nature of the mind, the pure mind and the defiled mind. Yes. But once you n c e you you study and you use what you study to p r to practice, then you can purify your mind. Yes. Once your mind becomes purified, you know you still exist, but your mind has, that doesn't have any defilement anymore. You don't have any greed for anything. You're not getting angry at anybody. You don't have any delusion that there are good things or happiness in this world, because everything you see u r dukkha, u r suffering. So then it doesn't take rebirth, but it reaches the right. final. Huh? That's right. It's clear, p a n t i Thank you very much. So just practice an eightfold path: morality, yes. samadhi, and wisdom. Yes. สีลาสมาธิปัญญา under stand <Okay. S 2> คำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะทำไมพระที่บรรลุทำแล้วยังต้องเจริญสติยังต้องเดินจงกรมและยังต้องนึกถึงความตายครับอ๋อสติไม่ต้องเจริญนะสติมันมีอัตโนมัตินะตลอดเวลายกเว้เวลาหลับเทะานั้นที่สติจะมีการทักชั่วคราว แต่พอตื่นขึ้นมาสติก็จะทำงานโดยที่ไม่ท้องไเจริญนะมันเป็นอัตโนมัติที่ท่านเดินจงกรมมันก็เพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายออกกำลังกายน่างกายน่างกายถ้าไม่ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีการออกกำลังกายถ้าไปวิ่งเต้นวิ่งจ็อกกิ้งไม่ได้ไปเต้นแอโรบิกไม่ได้ก็เลยใช้การเดินจงกรมหรือใช้การบินธบาตเป็นการออกกำลังกายไป คำถามจากทาง y o u t u ด e อกตอร์ค่ะถ้าชาติหน้ามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งและไม่พบพระพุทธศาสนาบนโลกนี้แล้วแสดงว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอีกแล้วใช่ไหมครับก็ได้บ้างตามอุปนิสัยที่เราได้สะสมไว้ถ้าเราเคยชอบทำบุญทำทานเราก็จะไปทำบุญทำทานต่อถ้าเราชอบรักษาศีลเราก็ไปรักษาศีลต่อถ้าเราชอบบวชเราก็จะไปบวชต่อ แต่แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ทางด้านปัญญาว่าอริยสัจสี่เป็นยังไงเหตุที่พายเรามาเกิดเพราะอะไรเราอาจจะลืมเพราะว่ามันเป็นเพียงความจําในขณะ ท, ที่เราเรียนในขณะนี้มันยังไม่ได้เป็นความจริงมันยังไม่ได้ฝังอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราเอ า, เอาสิ่งที่เราเรียนมาปฏิบัติจนกระทั่งมันมันปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเราเราก็จะไม่ลืมเช่นพระสุนดาบันนี้ท่านจะไม่ลืมพระอริยสัจสี่ พราท่านปฏิบัติโดยกระทั่งท่านสามารถน้อมอริยสัจ ส, สีเข้าไปฝังอยู่ในใจได้นะจะติดไปกับใจทุกภพกทุกชาติถ้าเป็นพระสสดาบันแล้วก็มีธรรมะมีพุทธศาสนาฝังอยู่ในใจไม่จําเป็นจะต้องไปลอพบกับพุทธศาสนาอีกต่อไปเรามีพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจที่จะพาให้ไปถึงพระนิพพานได้โดยอัตโนมัติคําถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ การทำสมาธิมีผลต่อการรักษาโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้มากน้อยเพียงใดครับต้องฝึกจิตอย่างไรครับได้ร้อยเอร์เซ็นตเลยถ้าโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคจิตนนี่มันเกิดจากการไม่มีสติเท่านั้นเองพอไม่มีสติมันก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานู่นอยากทํานี่พอทําไม่ได้ก็เศร้าขึ้นมาถ้าไม่ได้ทําบ่อยๆก็ซึมซึมเศร้าเครียดขึ้นมาแต่ถ้ามีสติก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ อไม่มีความอยากใจก็ใจก็เบาใจก็สบายเบิกบานางั้นฝึกสติให้มากๆองท่องพุโทโธให้ได้ทั้งวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรยงไม่ต้องคิดอะไรเอาแต่พุโทโธคำเดียวเนี่ยทั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่รับประกันได้ว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนจิตของเราเลยเพ้งจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยคำถามจากทาง Youtube ดรวค่ะ ทำบุญกระถิ่นสร้างศาลาหนึ่งร้อยบาทกับทำบุญพระป่าสร้างศาลาหนึ่งร้อยบาทได้บุญเท่ากันไหมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าเท<อ>่ากันเอาเงินร้อยบาทไปซื้อของที่เซวจะได้ของมากแค่ไห น, นนะก็ได้แค่ร้อยบาทที่เขาขายให้หนะึ่งจะไปบอกว่านี่เงินมาจากกระถินนะจะได้มากกว่ามันไม่ได้หรอกมันเท่ากาันที่บอกว่าได้บุญมากหมายถึงได้ประโยชน์มากผู้ที่ได้ประโยชน์คือพระ เะนั้นผ้าไม่มีผ้าเข้าใจไหมเมื่อก่อนผ้าใช้ผ้าด้วยการไปเก็บผ้าป่าผ้าบางสกุลผ้าห่อศพทีนี้ของคนระบุวชมากเข้าผ้ามันก็ไม่พอขาดตลาดคนตายไม่ทันพอพระพุธเจ้าเห็นว่าผ้าขาดผ้าเพราะบางทีมาเดินทางมาพบกับพระพุทธเจ้ากลางทางไปเจอฝนเข้าเบียกปอยไปทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีผ้าเปลี่ยน ไปกรากบพระไปกราบพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเปียกปอนอยู่พระพุทธเจา้าก็เลยสงสารต้องบอกญาติโยมนะว่าต้องถวายผ้าให้กับพระเพราะตอนนี้พระม่ผ้าไม่พอใช้ถ้าถวายผ้านี่มันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเป็นบุญมากแต่บุญกับบุญกับผู้รับไม่ใช่บุญกับผู้ให้ผู้ให้ก็ถ้าได้บุญเท่าเดิมถ้าผู้ให้ทาบุญร้อยบาทก็ได้บุญเท่าเดิมมันไม่ได้อยู่ที่ ผู้ให้อยากจะได้บุญมากก็ต้องทํามากกว่าร้อยบาทถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าร้อยบาทก็ทำสองร้อยบาทได้ทำสองเท่าแต่ผู้รับนี่มันบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากสองรอยบาทก็ได้เพราะเขามีเงินเยอะแยะแล้วไม่ให้สองร้อยหรือให้ร้อยหนึ่งมันก็ไม่ต่างกันนี้แต่ผ้าที่ไม่มีผ้าเนี่ยพอให้ผ้ามามันก็เลยมีความมีประโยชน์มากขึ้นมาก็เลยเป็นเป็นประโยชน์มากเป็นอ น, นิสงส์มากแต่ไม่ได้เป็นบุญมาก บุญที่เกิดจากการให้เท่าเดิมถ้าเราให้เคยให้เท่าไหร่แล้วให้เท่านั้นมันก็จะเท่าเดิมอยู่หรือเราไปให้ผ้าป่าก็ได้หรือให้ผ้ากระถิ่นก็ได้บริจากเงินร้อยบาทเหมือนกันนี้บุญที่เกิดจากการบริจาคร้อยบาทนี้เท่ากันคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ มีเพื่อนเป็นผู้ชายอยากบวชและปฏิบัติสายพระอาจารย์ต้องทํำยังไงบ้างคะแต่เขาจะบวชแค่สิบห้าวันนะค่ะก็ไม่รับบวชหรืสิบห้าวันบวชทางสายวัดป่านี่เขให้บวชตลอดชีวิตถ้าไปบอกว่าจะบวชกี่วันกี่วาบก็ไปเถอดไปบวชที่อื่นเถิดถ้าจะไปบวชสายวัดป่าต้องไม่บอกว่าบวชบวชนานเท่าไหร่เอาบอกขอบวชไปเรื่อยๆอนี้เคล็ดลับอันหนึ่งนะแต่อยไป เอาก็อยากจะรู้จะบวชจริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่าเ้าก็ให้อยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนเองว่าวัดวัหนองวัดหนองป่าพงนี่รู้สึกว่าถ้าเป็นผ้าต่างประเทศมาบวชในเขาย้าะให้เป็นผ้าขาวหนึ่งปีก่อนพอเป็นผ้าขาวหนึ่งปีแล้วให้บวชเป็นเนรอีกหนึ่งปีไม่ให้บวชผ้าทันทีเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นผ้าเราจะทำตัวใหญ่โตขึ้นมะ ถ้าเป็นผ้าขาวเป็นเนรนี่ยังต้องยังต้องเคารพพระอยู่ยังเคารพพระเก่าอยู่แต่พอมาบวชเป็นพระถือว่าเท่ากันแล้วสิ่งนี้ไม่ไม่เคารพกันละเทากัแล้วต้องฝึกความเคารพก่อนหรือว่าจะมีความเคารพหรือไม่ก็เลยบวชผ้าขาวปีหนึ่งจากนั้นก็บวชในรีกบวชเป็นเนรอีกปีหนึงก่อนถ้าอย่างนี้ถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่าใช้ได้บวชเป็นพระต่อไปได้ เขาคนที่เขาบวชแบบไม่ถึงนี้เข้าใจเย็นเขาไม่รีบร้อนจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้ข้อสําคัญของเขามีที่ปฏิบัติมีที่ศึกษามีครูบาอาจารย์คอยสอนเขาเท่านั้นเป็นหลัก <Okay. S 1> ถ้าไม่ไมิไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีที่ปฏิบัติเราจะให้เขาบวชวันนี้เขาก็ไม่บวช <Okay. S 1> เช่นให้ไปบวชในเมือง ใ, ในบ้านในเมืองนี้เขาไม่ไปบวชกันพวกที่ต้องการจะบวชแบบ <Okay. S 1> เพื่อให้พ้นทุกนี่เขาต้องการไปบวชที่มีที่ที่ปฏิบัติทำํำ okay. แต่พวกที่บวชเพื่อเป็นเป็นการแก้บนญเมื่อบวชเป็นพิธีกรรมนี้เขาก็บวชกันวันหนึ่งบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างอันนี้ไม่ได้เป็นเถอว่าเป็นการบวชจริงๆอันไม่เอาเลงหลอกเจ้าไอ้ไอ้เจ้า ก, กรรมนายเวรจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมแล้วบวชหรือยังยังไม่มีคําถามค่ะเอะไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้นะ